ให้ศึกษาบารมีธรรมของพระบรมศาสดาเนี่ยเข่าอ่อนหมดเลยให้ศึกษาดิคิดยังแทบไม่กล้าคิดเลยฉะนั้นพ ร, พระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลเช่นอย่างพระบรมศาสดาจึงหาได้ยากอย่างยิ่งคําว่าโพธิปักกิยธรรมเมฆโพธิปักกียะธรรมของท่านก็บอกความรู้ในมรรคสีความรู้ในโสดาปิมรรคสกาธาคามรมรรคนาคารมรรคอรตะมรรคเนี่ยเชื่อโพธิ หรือบุคคลย่อมตัดสู้เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อโพธิผู้ที่จะตัดสู้เนี้ยก็คือพระพุทธเจ้าทำทั้งหลายอันมีในฝักป่ายแห่งโพธิญาณหรือของบุคคลผู้จะตัดสู้ก็เรียกวโพธิปักกียะโพธิปักขียะก็คือธรรมที่บ่มโพธิญาณเหล่านั้นตรงนี้ก็มาดูว่าโพธิญาณต่างๆนั้นจะถูกบ่มเพราะได้ด้วยโพธิปักกียธรรมสามสิบเจ็ดประการอะไรเราเป็นตัวบ่มสติปัฏฐานสี่ สมภัททานสี่อิทิบาทสี่อินทรีห้าพลห้าโพชฌงเจ็ดแล้วก็อริยมรรคมีองแปดทรงบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นในข้อความนั้นก็เชื่อมว่าทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศมีธานบารมีเป็นต้นที่จะยังมรรคให้สำเร็จใช่ไหมให้สังเกตดูว่าบารมีสิบสร้างอัทยาิยยทั้งหกอัตยาิยยทั้งหกก็คือเนี่ยมะบ่มโพธิปักขียนทำสามสิบเจ็ดที่เอง ะัโพธิปัจญยธรรมสามสิบเจ็ดเนี่ยบริบูรณ์เลยก็จะยังมรรคให้สำเร็จและโพธิปัขิยธรรมสามเจ็ดประการเนี่ยที่จะบ่มโพธิญาณอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยท่านใช้คำว่าปัตตวาทรงบรรลุทรงบรรลุพยานโพธิ์ทิ้งก็คือพระโพธิญาณ น, นั่นเองมรรคญาณทั้งสี่วิสุทธังอันบริสุทธ์อันเว้นจากมนทิน ราคานี่ความกำนัดเป็นมนทินโทสะความโกรธเป็นมวทินโมหะความหลงเป็นมนทินนะฉะนั้นโพธิญาณเนี่ยพ้นจากมนทินคือราคาโทสะโมหะเป็นต้นทรงบรรลุโพธิญาณอันบริสุทธิ์อันได้พุทธคุณทั้งสิ้นก็คือได้แหละได้อภินญาหกไงคือพุทธคุณได้อาสาธารณญาณหกพุทธญาณสิบสี่เวนิกรรม1สิบแปดแล้วก็เวสาลัชญาณสี่ เป็นต้นนั่นแหละคือพุทธคุณของพระบรมศาสดายังไหมพุทธคุณนะ่ะคือกรมคุณธรรมทั้งหลายอีกมากมายถ้าเราไล่ไปตามลำดับเนี่ยจะมีมากมายทําไมเราต้องมาศึกษาในการที่พระบรมศาสดานมเพนบารมีเพื่อจะได้เจริญพุทธคุณกันถูกสักทีถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครคือพระพุทธเจ้าอะไรเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งอามาพยายามจะเจาะก่อนนี่นะวันแรกนี่นะต้องการให้รู้จักพระพุทธเจ้ากันให้ชัด แต่ความสามารถของผู้บรรยายไม่รู้จะแค่ไหนเนี่ยนะความสามารถของผู้ฟังก็ตั้งให้เต็มที่กันแล้วกันเศรษฐภูโตติโลเกก็แปลว่าทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเพระพระรมศาสดาเนี่ยประเสริฐที่สุดในโลกทั้งสามก็คือการมาวจรภูมิรูปวจรอะรูปวจรนั้นอย่างหนึ่งสัตวโลกสังขารและโลกแล้วก็โอกาสโลกอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าเราจะเทียบในในจักรวาลทั้งสิ้นเนี่ย ไอ้สามสิเอ็ดภพแต่ละจักรวาลนี่นะก็มีสามสิบเอ็ดภพพระบรมศาสดานั้นประเสริฐกว่าสัตว์ที่อยู่ในกามภูมิประเสริฐกว่าสัตว์ที่อยู่ในรูปประภูมิประเสริฐกว่าสัตว์ที่อยู่ในอรูปภูมิอยู่ไหมประเสริฐกว่าสัตว์ทีนี้ประเสริฐกว่าสัตว์ตวโลกอันนี้รวมหมดเลยที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหมดไม่ใช่แสนกจักรวาลนะเพราะว่าพุทธเขตเนี่ยหมื่นจักรวาลอยู่ไหม อน า, าเขตนี่แสนโกรจักรวาลใช่ไหมถ้าวิสัยเขตก็คือหาประมาณนี้ได้นี่เขตของพระบรมศาสดาจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นสัตว์วโรคทั้งหลายเนี่ยพระบรมศาสดารู้หมดสังขารลโลกโลกคือสังขารอันต่างด้วยรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไม่มีสังขารไหนเลยอะที่พยานของพระบรมศาสดาจะไม่เคยกระทบ สัพพัญญุตยานของพระบรมศาสดานั้นเคยทะลุทะลวงสังขาราโลกทุกสังขานสังขารของเราท่านทั้งหลายที่เป็นมาในอดีต ท, ที่กําลังเป็นไปอยู่เป็นต้นเหล่าเนี้ยสังขารเหล่านี้นั้นเคยถูกสัพพัญญุตยานนั้นวิจัยสิ้นหมดแล้วว่าส่วนไหนเป็นทุกขสัจส่วนไหนเป็นสมุทยาาัยสัจแล้วเมื่อไหร่จะได้นิโรธสัจและปฏิปทาในการจะเข้าถึงมรรคสัจนั้นน่ะจะถึงหรือไม่ถึง พระบรมศาสดาทําไมพระองค์จึงมีพระมหากรุณาธิคุณเพราะพระบรมศาสดาเห็นกลุ่มเราท่านทั้งหลายกําลังเดินทางผิดกําลังเดินไปตามมิจฉาปฏิบัติภะก็ยังฮะเราเนี่ยมีมิจฉาทิถีเป็นตัวฝังรากลึกแล้วก็เลยมีมิจฉาสังฆปะเพราะเห็นผิดแล้วคิดก็ผิด่ยฮะพูดออกมาก็เป็นมิจฉาวาจา ทำออกมาก็มีมิจฉากรรมตากอาชีพก็เป็นมิจฉาอาชีวะเพียนแต่ละครั้งก็เป็นมิจฉาวายามะและเลิกอะไรแต่ละครั้งก็เป็นมิจฉาสติตั้งใจให้นิ่งๆแต่ละครั้งก็เป็นมิจฉาสมาธิพระพุทธเจ้าเห็นไงว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีมิจฉาปฏิปทาแล้วพระองค์ก็มีพระมหากรุณาที่คุณว่าสัตว์เหล่านี้กําลังเดินทางบิด นอกจากเราแล้วไม่มีจะหไม่มีใครสามารถให้สัตว์เหล่านี้เดินก็สู่ทางที่ถูกต้องได้พระองค์จึงมีพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยพยายามชักพยายามจูงพยายามดึงให้เราเข้าร่องเข้าลอยของมัชฌิมาปฏิปทา <S <S 2> <S 2> เพื่อไม่ให้เราเนั้นหลงทางใหญ่เราท่านทั้งหลายตอนนี้ถูกอะไรถูกกรงถูกขังกรงเบ็ดเสร็จแล้ว อะไรคือกรงราคาโทสะโมหามานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอย่างที่การนวดถปะอุทะจากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นกรงมันขังสัตว์อยู่อ่ะเขาจะว่าไงเนี่ยแล้วกรงนี้เป็นกรงที่ถาวรด้วยในอดีตโทษของการที่ไม่ได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจคำสอนของพระบรมศา ส, สดาเนี่ย แล้วก็ติดกงขังกันเงี้ยออกไม่ได้ทานพระเจ้ามาตั้งหลายพระ อ, องค์นับไม่ถ้วนถ้าเราดูในคำพีอปาทานเนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยบอกแก่พระนนท์เขาไว้บอกว่าดูก่อนอานนท์ถาาคตบมเพนบารมีมาตั้งใจปรารถนาจะเป็นพระเจ้า ช่วยเธอให้พ้นจากสังสารวัฏก็คือช่วยสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏเนี่ย ผ, ผ่านพระเจ้ามาไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่แสนไม่ใช่โกรธไม่ใช่ประโกรธผ่านมาเป็นอาสองไข ผ, ผ่านพระเจ้ามามากกว่าเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวจะว่ายังไงเนี่ย ใครลกล้าเดินผ่านพระเจ้าละเลยพระเจ้าขนาดนั้นทั้งๆที่ตนเองมีอัจยาใสในการที่จะตัดสู้เป็นพระอรหันต์ได้ใครกล้าพระบรมศาสดาของเราในสิกล้ากล้าคิดกล้าทากล้าพูดในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมงั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้ พระองค์จึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสัตว์โลกทีนี้เราเนี่ยถูกกรงคอกคเลศเนี่ยล้อมไว้แล้วพระบรมศ า, ศาสดาก็บอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายวิ่งท่านเดินหน้าทข้งกิเลสเราเห็นคนบางคนไม่ติด ก, กรงเนี่ยนกเขาขังไว้ในกรงกระต่ายเขาขังไว้ในกรงหมูเขาขังไว้ในเล้าเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายทั้งหลายเขาเชือกผูก เราทั้งหลายก็ถูกกรงขังคือบ้านคือช่องคือแรองต่างเยอะแยะอันนั้นไม่ใช่กรงที่แน่นหนาอะไรเดินออกมานี่ก็พ้นแล้วใช่ไหมแต่กิเลส ท, ที่สมในใจท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นกรงแล้วเราท่านทั้งหลายทะลุทะลวงออกกันไม่ได้วิ่งท่านกันอยู่เนี่ยเพระพรมศ า, าสดาก็มีพระมหากรุณาธิคุณบอกว่านอกจากเราไม่มีใครช่วยศาสตร์นั้นแหวกกรงคือกิเลส ออกมาได้ตรงนี้ไงท่านเห็นเราท่านทั้งหลายมืดอยู่ในกรงเนี่ยก็เลยบอกค้นทางในการที่จะออกจากกรงนั้นทีนี้ถาาวาพระองค์นั้นเป็นผู้รู้แจ้งมีพญานันยอดเยี่ยมในสัตวโลกสังขารโลกแล้วก็โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินคือจักรวาลทั้งสิ้น ทรงทำจนสําเร็จแล้วเนี่นะถึงที่สุดแห่งทุกทรงยังที่สุดคือส่วนปลายแห่งทุก์ในวัฏจัให้สิ้นได้แก่เราเนี่ยยังไม่ได้ถึงที่สุดแห่งปลายของวัฏจัเพราะเรายังไม่ได้อนุปาธาปริณีภานแต่พระพรมศาสดานั้นได้อนุปาธาปริณีภานคือการดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือไม่มีการอุบัติเกิดขึ้นอีกในภพไหนไหนในอัตภาพไหนไหนในกระแสขันไหนไหน ดังที่ได้กล่าวว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มมิจฉาปฏิบัตานะเอางี้มิจฉาปฏิบัติเป็นชื่อของอภิชาคือความโลภเป็นชื่อของโทมานะคือความโกรธใช่ไหมแล้วก็มีโมหะเป็นตัวปิดเอางี้เราท่านทั้งหลายในขณะที่อยู่ในยาบวดยืนแล้วก็เป็นมิจฉาปฏิบัติ์สติสัพชัญญะสิกขาสาว ม, มันเดินได้ไหมในขณะยืนในขณะเดินในขณะนั่งในขณะนอน ในขณะที่ก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มทรงผ้าหรือถ้าพระก็ทรงผ้าสังฆติบาจีวรถลากระว่ายก็นุ่งห่มผ้าของใช้ทั้งหลายทายุจรประสวะเดินยืนนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งอภิชาและโทมนัสจะไหลท่วมกระแสใจสัตว์ยึ่ตลอดเวลาเห็นไหมว่า สัตมนั้นไม่ว่าจะไปทั้งไหนก็เป็นกลุ่มมิจฉาปฏิปทาเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นสัมมาปฏิปทาปานี้พนทุกเนื้อเพราะเราใช้ทั้งอิยาบทใหญ่อิยาบทย่อยกันมายาวนานแล้วเนี่ยนี่มันออกไม่ได้อ่ะมันถูกกรงคือมิจฉาปฏิปทาเนี่ยเป็นตัวชักใหญ่อยู่มันก็เดินออกไม่ได้เพราะพระรมรรคศาสดาก็มีพระมาหากรุณาธิคุณบอกว่า <S <S โอ้โหสัตว์หลงแล้วเนี่ยมืดแล้วบอดแล้วหนวกแล้วพวกงั้น นอกจากเราเนี่จะทําให้สัตว์นั้นนะฮะสว่างไม่ได้เลยว่างั้นพระองค์ก็พิจารณาให้ควรเห็นตามความเป็นจริงคพระองค์ก็มีกรุณาในเรามีกรุณาในเราสัตว์หมู่ชนผู้กระทํากรรมงามไว้ท่านบอกว่าอุบัติขึ้นให้สําเร็จแล้วเนี่ยนะประชุมชนผู้ได้กระทําบุญไว้แล้วในสํานักของพระบรมศาสดาในการก่อนทรงเปลื้องทุกออกจากทุกแล้ว ก็คือเปลื้องทุกออกจากก็หมายความเปลื้องออกจากทุกจากเหตุแห่งทุกและจากขันห้าตามวัาหารว่าทุกเนะื้อทุกนี่ก็คือเป็นเชื่อมกันฮะสาตว์ทั้งหลายที่เคยบำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าองค์ก่นกอนๆอยู่ไหมเมื่อมาเจอพระบรมศาสดาในในพระองค์นี้สาตว์เหล่านั้นเป็นผู้คู่ควรต่การที่ตั้งรูปไงมีบุญทั้งหลายพระบรมศาสดาก็ เรื่องสัตว์เหล่านั้นให้พ้นจากวัฏทุกข์ให้เป็นผู้ควรต่ออนุปาฏฐาปริธิภานทีนี้ถ้าหากว่าดูในคําสอนท่านบอกว่าพระผู้มีพภาคเจ้านั้นมีกิติศักดิ์อันงามที่บอกว่าแม้พราะเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองถึงพร้อมได้วิชาและเจรณาเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเตียวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาคนี่นะพระองค์รู้แจ้งทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ประกาศทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามก็แสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจาร์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะนี่นะส่วนพระธรรมที่พระบรมศาสด า, สดาตรัสก็ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูกับน้อมก็ควรที่จะน้อมเข้ามาใส่ตนใช่ไหมมรซีพนซีนิพานเนี่ยควรจะน้อมอันวินญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตนการได้พบเห็นพระสารททั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงเนยนะภาษารีบุตรเถระชื่นชมพระมหาบุรุษว่าพระผู้มีภาคเจ้านั้นทรงมีปัญญามากทรงมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาอาหารมีปัญญาฉับไว แล้วก็มีปัญญาเฉียบแหลมทรงบรรลุกุศลทรงบรรลุปฏิปทาทรงบรรลุเวสารัชยานสี่ทศพสลยานสิบเป็นผู้องค์อาจเป็นบุรุษผู้ประเสริฐที่สุดแล้วก็เป็นบุรุษที่สูงสุดทรงเป็นบุรุษอาชาในเป็นบุรุษผู้นำธุระนะทรงมีพยานหาที่สุดไม่ได้ทรงมีพระเดชอาหาที่สุดไม่ได้ทรงมีพยศหาที่สุดไม่ได้ก็ทรงมั่นคงทรงมีทรัพย์มากแล้วก็มีปัญญาเป็นทรัพย์ทรงเป็นผู้นำนะ นำยังไงทรงเป็นผู้นำไปอย่างวิเศษด้วยนายกเนี่ยก็แปลว่าผู้นำใช่ไหมถ้าระดับนายกของโลกนีคือพู้พุทธเจ้าถ้าไม่ใช่พู้พุทธเจ้าไม่เรียกว่านายกเขาเรียกผู้นำในทางที่ผิดนำเราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปโศกไปลำลายลำพัน์ไม่สบายกายไม่สบายใจให้เราเข้าถึงความคับแค้นใจ ผู้นำแบบนี้ใช่ผู้นำแท้จริงไหมไม่ใช่เลยผู้นำที่แท้จริงต้องพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้านั้นนำเราออกจากชาติทีทท่ทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์นำเราให้พ้นจากความโศกความล่ําไรําพันธุ์เนี่ยนำให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายนำเราให้พ้นจากความวิบัตินี่แหละเขาเรียกว่านายกของโลกบุคคลที่นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่เรียกว่านายกของโลก ไม่เรียกว่าผู้นำนี่แท้จริงในสังสารวัตรที่ผ่านมาเราไปตามผู้นำไม่ถูกผู้นำพาเราให้เราหกเราเหินเดินทางยาวนานรอนแล้งอย่างยาวไกลด้วยแล้วเจ็บปวดเขานำเราไปแก่เนี่ยนำเราไปเจ็บเนี่ยนำเราไปตายเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรใช่ไหมใช่แต่พระบรมศาสดาที่เป็นนายกของโลกเป็นผู้นำ เป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ตามแนะนําเป็นผู้รู้จักประโยชน์เป็นผู้ให้พิจารณาถามว่าใครที่จะสอนให้เราพิจารณาได้พิจารณาว่านี่ทุกข์นะว่าควรกําหนดรู้ให้พิจารณาเนี่เหตุของทุกข์นะควรละให้รีบละให้พิจารณาว่านี่นิโรธนะควรทําให้แจ้งพิจารณาว่ามรรค ควรเจริญควรอบรมบางคนบอกเอ๊ะเจริญสิกขาสามเจริญยังไงเอาฟังไม่เข้าใจอีกทําสิกขาสามให้เกิดได้ไ้ยศีลสมาธิปัญญาเอาไม่รู้อีกบางคนโอต้องใช้ศัพท์ใหม่ๆท้านเอาพัฒนาบางคนอโอ๊เข้าใจก็บางคนไปเข้าใจกบว่าพัฒนาพระบรมศา ส, าสดาทรงพิ่งประโยชน์แล้วทรงทำให้เลื่อมใสนะถามบอกว่า ตอนที่ท่านคิดจกเป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านบอกว่าจะประโยชน์อะไรในเพศที่คนอื่นไม่รู้จักใช่ไะเอางี้บุคคลที่นั่งอยู่นี่เนะยทั้งผู้พูดผู้บิจะผู้ฟังอย่างนี้เขาเรียกเพศนี้ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักเพราะไม่ยังความเลื่อมใสตั้งมั่นให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าสิทุกคนจะรู้จักเขารู้จักในที่นั้นว่าทุกคนจะกล้าตั้งสัทธินีไว้ในท่านผู้นั้นเพราะกระแสะรูปขันเวทนาสัญญาสังขารนิยามท่านนั้นบริสุทธิ์หมดจดจริงๆเอาที่จะเอาศรัทธาไปตั้งไว้นะที่ไหนก็ได้เพราะไม่ผิดพลาดแน่นอนเชื่อท่านผู้นี้แล้วปลอดภัยอ่ะแต่ถ้าคนยังมีกิเลสนอนเนื่องในการทศดานอยู่ลงไปเชื่อดูดิเดี๋ยวก็พาเราเข้าลกเข้าภพ ใช่ไหมจ๊ะสามวันดีสี่วันไข้อันไหนมากกว่ากันเนี่ยดีสามเสียสี่ที่จริงคำคำนี้จริงๆต้องบอกหนึ่งวันดีหกวันไข่เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเชื่อยากแต่ถ้าพระรมศาสดาเนี่ยตั้งศรัทธาไว้ในรูปกายท่านก็บรรลุได้ถ้ารู้จักจริงๆเนียตั้งศรัทธาไว้ที่นามธรรมของท่านก็บรรลุได้ พระบรมศาสดานั้น่ะทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงธรรมมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดพร้อมตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครตรัส ร, รู้จกักมรรคแล้วก็ทรงรู้แจ้งมรรคฉลาดในมรรคด้วยไม่รู้แจ้งไม่ฉลาดได้ยังไงใช่ไหมอย่างเราเนี่ยจะรู้ไหมว่าสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคยังไงสัมมาสังกัปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวิมะสัมมาสติและสมาสมาธิมามามาไม่รู้เลย ว่าดําเนินตามมรคขนาดบอกมรคแล้วนะบอกมกรคคือสมาทิฏฐิท่องได้ไม่ได้เอาไปเจริญไม่รู้จะทํำยังไงสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรเห็นชอบเอาเห็นยังไงไม่รู้เห็นไหเพราะบอกสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นถูกต้องเออเห็นยังไงไม่รู้ก็ไม่รู้อีกก็เห็นว่าอยังไงก็อีเออเห็นเงีย้ยเงี้ย ถึงบอกเรื่องต้องขยายหมดเลยอ่ะถ้าพูดเรืงศีลต้องขยายศีลใช่ไหมพูดเรื่องสมาธิต้องขยายสมาธิพูดเรื่องปัญญาต้องขยายทําความเข้าใจของปัญญาสรุปจริงๆต้องเอามาเกิดในกระแสนํามาทําได้ต้องให้เกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะนี่ถ้าเราไม่ฉลาดในมรรคพระพุทธเจ้าฉลาดในมรรครอบรู้มรรคทรงบอกมรรคแล้วพ่อองค์ก็บอกทางมันมีเยอะทางมันมีมาก ท่านทั้งหลายที่วิ่งผ่านกันในสังสารวัฏอยู่เนี่ยเพราะหลงทางกันสาตร์ทั้งหลายก็หลงอยู่ในป่ารกทึบในป่าชัดกันเยอะแ ย, อยอะเป็ดเสร็จใช่ไหมวิ่งกันในพรานหมดเนี่ยทุกวันเนี่ยเอาที่ตื่นขึ้นมาไปแล้วทำงานกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้รถก็ติดเนี่ยนยอยอยอะเยอะแยะเป็ดเสร็จเนี่ยฝนตกกะทีกว่าจะเข้าทะลุทะลวงในกรุงเทพได้ก็คือว่าถามว่าไปอะไรกันเนี่ยวันวันไปอะไรกัน ถามว่าในขณะที่เขาเดินในขณะที่เขายืนในขณะที่เขานั่งในขณะที่เขานอนในขณะที่เขาก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกกินดื่มเที่ยวลิ้มเนไะหมนะห่มผ้านุ่งห่มใช้ภาชนะทายุจ ร, ประปัสสะเดินยืนนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งเนะี่ยถามว่าเขาเขาฉลาดในมาร์กไหมเขารู้จักมาร์กไหมเอาถ้ารู้จักมาร์กจริงเนะี่ยเจ็ดปีบรรู้ได้อ่ะ อันนี้มันเลยเจ็ดปีกันทั้งนั้นนะที่นั่งเนี่ยยังไม่เห็นมีใครมีสักมรรคเลยอ่ะมีมรรคอย่างเดียวโดยมากจะเป็นวิจฉามารรคเห็นไหมสมัมมามรรคไม่ค่อยได้เลยเอาถ้าได้สมัมมามรรคไม่ต้อ ง, ต, องต้องได้ดิบได้ดีกว่านี้นะเอะพระเจ้าตรัสไว้นะถ้าเจริญมรรคถูกต้องเจ็ดปีบรรลุได้นะเพราะงั้น ที่มานี้ก็ผ่านมาหลายขวบเลยอันนี้แสดงว่าผิดก็ยังไม่เอะใจนะเออยังไม่เอะใจนะหลายๆท่านเนี่ยนะว่าเออเราเนี่ยเรานะ่ย เ, เป็นคนมีอัธยาสัยเห็นผิดมาอย่างยาวไกลเราไม่ใช่มีเป็นผู้มีอัตยาศายเห็นถูกเรามาจากความเห็นผิดฉะนั้นกรณีที่เราจะเห็นถูกอะไรง่ายๆในะยากก็ไม่ค่อยเอะใจ นั้นพระบรมศา ส, สดาเนี่ยนะฉลาดในมาร์กและสาวกทั้งหลายของพระองค์เป็นผู้ดําเนินไปตามมาร์กอยู่นะบัดนี้จกเป็นผู้พเพียรพร้อมในภายหลังบอกว่าเอาที่ใครจะเดินตามคําสอนของพระบรมศา ส, สดาเดินตามมาร์กจะเพียรพร้อมเพราะผู้ว่าเจ้านั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นทรงมีพระจักสุจักสุในที่นั้นคือมีพยานทรงมีตามทรงมีอัฏฐานนะแล้วก็เป็นดุจพรมตรัสบอกทรงทำ ความหมายออกแล้วก็ประทานอมตะธรรมพุทธิย้าประทานอมตะธรรมไหมประทานพระนิพพานไงอย่างนี้มีคนให้ข้าวเราเนี่ยเราดีใจเยอยะไหมไม่ใช่ออมตะธรรมไหมเนี่ยแต่ถ้าให้พระนิพพานนี่แต่บางคนไม่ชอบเนี่ยกลัวการบรรลุเคยได้ยินไหมบอกบรรลุเราไม่ชอบเลยการบรรลุนี่กลัวอีกก็แปลกดีบางคนเหมือนกับว่าพอพระบรมศาสดา บ, บอกว่าลูกไม่ใช่ของเราเว นะลูกก็ไม่ใช่สามีก็ไม่ใช่บ้านก็ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นเสร็จวิ่งกลับไปกอดลูกกลัวใหญ่ทรงนำความหมายออกมาทรงประทานธรรมตาธรรมทร ง, งเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระธรรมคตสิ่งที่พระบรมศาสดาไม่ทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทําให้แจ้งไม่ได้สัมผัส ด, ด้วยพยานไม่มีเลยนะไปดูในขุดการนิกายมาวัดไปดูดิเออเคไปดูใน ไปดูในคําสอนน่ในจุฬิเนธก็ไปในมหานิเทศแต่ในจุฬิเทศบอกไม่มีเลยนะที่พยานของพระบรมศาสด า, าไม่เคยสัมผัสไม่มีเลยทงทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมมาสู่ครองหน้าพยานของพระบรมศาสดาโดยการทั้งปวงนะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมของพระบรมศาสด า, าก็เป็นไปตามพยานดังที่ได้กล่าวเนี่ยทีนี้ ถ้ามาพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของพระผู้มียภาคเจ้าสรงสร้างบารมีดังกล่านีเนี่ยพระมาหาบรุษเนี่ยพระมาหาบุรุษก็ได้บำเพ็ญบารมีที่พระสารีบทค่ามว่าเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนกลับล่วงมาแล้วนี่นับตั้งแต่ที่เป็นสุเมธาดาบทเดี๋ยวช่วงภาคบ่ายจะไปดึงประวัติตรงนั้นช่วงนั้นมานี่นะดาบทสําเร็จอภิญญาห้าตรวจดูโลกได้ทิพยจักรสุเห็นสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในไบยพูมิ คือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายแหลกหลาแหลกลานเนี่ยนะเศรษทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสฮะไทยก็หวั่นไหวด้วยกรุณาเอาเราเห็นสัตว์ที่กําลังได้รับความทุกเนี่ยกรุณาในใจเราเกิดไหมเกิดเลยเอาเห็นปลาเห็นก็ทุบ ป, ปลารู้ไหมตอนนี้ก็ทุบ ป, ปลาอยู่รู้ไหมรู้ รู้ไหมตรงนี้โรงงานฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็กำลังเชือดไก่ร้องกันระงมเนี่ยเอาโรงงานฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยฆ่ากันนี้กราดหมดเนี่ยรู้มีไม่รู้เนี่ยเนี่ยเห็นเนื้อมันกินไหมแล้วกรุณาหวั่นไหวในใจร้ไหมเนี่ยคนกรุณาน้อยทั้งนั้นะโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมกรุณ น, น้ำไม่เคยออกหรอกเผลอๆก็ดีอยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดีนะจบเลยแต่เนี่ยแต่พระโพธิสัตว์เนี่ย สวยทุกขเวทน า, าเห็นสัตว์สวยก็เกิดกรุณาคนที่มีกรุณาเนี่ยคือจิตเขาหวั่นไหวจิตของคนดีทั้งหลายก็หวั่นไหวทนดูได้ไม่ได้ดูได้ไม่ได้ด้วยกรุณาอย่างนั้นแหละพอได้พบเห็นพระบรมศาสดาพระทีปังกรพระบรมศาสดานะสลาอารัฐผลที่ควรจะเกิดขึ้นในสำนักของพระทีวังกรศาสดานั้น ปรารถนาสัมมาสัมปวิยาณที่ดูโสลัดทิ้งเลยก็สมบัติอยู่ในมือแล้วอราตมาร์กเนี่ยก็โสดาปริมาร์กนี่ใหญ่กว่าจักรพัทดีราชใช่ไ้ยแล้วอราตมาัรกแหละจะคูณจะบวกจะจะเพิ่มยังไงเนี่ยสลัดทิ้งง่ายๆ พ่อมากรุณาพวกเราที่นั่งกันอยู่ในห้องประชุมเนี่ยต้องคิดอย่างเงี้ยที่แท้จริงก็คือกรุณาสัตว์ทั้งโลกยอมสลัดทิ้งปรารถนาสัมมาสัมปทิญาณนมนีประโยชน์เกื้ อ, อกูลแก่สรพสัตว์ได้รับพยากรแล้วได้บริจาคใหญ่ห้าประการใช่ไหมบริจาคทรัพย์บุตรชายาอวัยวะชีวิตในชาติกันดานหาประมาณไม่ได้บำเพ็ญบรารมีสามสิบทัศน์เหล่านั้นบรารมีสิบ อุปป a r ม m ส s i r i p a ั a m a t t h a m p a r ก็คือทานศีลเนคขมาปัญญาวิรยิยะขันติสัจจอาทฐานเมตตาเวขาแล้วก็บำเ พ, พ็ญโพธิปักยะธรรมสามสิบเจ็ดไหมบำเพ็ญสติปัฏฐานสมนปะปัฏฐานอิทิบาทอินทรพราพโธชงแล้วก็อริยมรรคมองคแปดเออมรรคแปดนั่นเองพอบำเพ็ญไปจะถึงประตูพระนิพพานก็หยุดไวเอาที่หยุดไว้ยังไม่รู้ไม่ได้เพราะยังไม่เต็มไง ถ้าอย่างเราเนี่ยไปถึงนิพพานจะกล้าประตูเข้าประตูนิพพานแล้วจะถอยกลับไหมไม่ถอยแล้วใช่ไหมใช่หยุดไม่อยู่แต่กรุณาก็เตือนใจท่านถอยลงมาหน่อนถอยลงมาอยู่อย่างเงี้ยเห็นโทษไหมเห็นเห็นโทษในสังสารวัฏไหมเห็นมากกรุณาในใจก็เยอะเพราะผูกสัตว์ไว้แล้วผูกไว้ในใจแล้ว พระมหาบรุษนั้นบำเพ็ญโพธิสมภารอย่างนี้ได้บรรลุเป็นพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าอันบริสุทธ์นะซึ่งในซึ่งให้พุทธคุณทั้งสิน้นบรรลุความเป็นผู้เจริญประสู ร, ะสริที่สุดในโลกสามทรงย่างทุกข์ในวะตะัตฏะแม้ทั้งสิ้นของพระองค์ให้สิ้นไปแล้วแสดงธรรมแก่ชนเป็นจำนวนมากผู้ดได้กระทำบุญในบางก่อนเหล่าอื่นทรงให้ชนเหล่านั้นทรงอยู่ในทางแห่งพระนิพพาน ก็ทรงเปลื้องชนเหล่านั้นออกจากชาติทุกชราทุกพยาธิทุกขมรณะทุก์แล้วก็ทําให้เป็นผู้ควรต่อการที่จะได้อนุบาตานิพนธ์ทีนี้การประมวลพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะที่จะต้องกล่าวก็คือว่าทูเรนิทานอวิทูเรนิกาสันติเกณิทานนี่ยนะก็นิทานไกลนิทานใกล้เป็นนิทานแล้วก็จนนิทานที่เป็นไปเรื่องราวนี้ปัจจุบันเนี่ยนะ เมื่อพระองค์บำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆเหล่านั้นเบ็ดเสร็จแล้วในที่สุดจริงๆก็คือได้จริยาสามยาตัถาจริยาโลกัถาพุธ ท, ทธถจริยาได้พิญญาหกอาศทรณยญาณหกวิชาแปดเจรณาธรรมสิบห้าพุทธญาณสิบสี่เวณิขธรรมสิบแปดทศบาลญาณสิบเวสาลัชญาณสี่ปฏิปทาสี่เป็นต้นตรงนี้นี่นะเราท่านทั้งหลายจึงควรนอบน้อมพระชิ น, นาจาเจ้าพราะองค์นั้นผู้สั่งสม คุณความดีไว้อย่างมากมายผู้ทรงเป็นเผ่าพัน์ผู้เดียวของโลกเป็นแม้พระองค์ใดผู้ไม่มีผู้เปรียบเทียบทรงเป็นผู้สูงสุดในพุทธโลกทั้งหลายด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยกุศลนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อทราบในกรณีอย่างนี้และจงตั้งใจฟังฉันบอกว่าการฟังคาสอนเนี่ยนะหนึ่งสัจทินรีต้องดีมาก เพราะศรัทธาเนี่ยจะนำมาซึ่งวิริยะสติสมาธิและปัญญาใช่ั้ยเรารู้คุณของพระบรมศ า, ศาสดาต่อไปเราจะไปเก็บรายละเอียดในคุณของพระบรมศาสดานั้นเน่ะเราท่านทั้งหลายจึงสมควรในกรณีที่จะฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าอันหน้าพิศวงอันไภบูุ์ไม่มีมลทินทรงบำเพ็ญโพธิสมภานันเป็นเหตุเป็นผลที่พระสุคตเจ้าให้เต็มกาลัง ศรัทธาและปัญญาของด้านทั้งหลายถ้าท่านศึกษาแล้วค้นคว้าแล้วสืบค้นแล้วฟังให้ได้แล้วท่านจะเห็นคุณของพระาศาสดาแต่ถ้าท่านศึกษาแบบไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้ตั้งใจฟังผ่านๆไปวันๆนี่นะท่านก็จะต้องเสียประโยชน์ก็จะต้องกลับไปฟังอีกถ้าท่านยังในในาคตนี่เนะซึ่งเนี่ยในอดีตรเราฟังมาแล้วแต่ด้วยโทษของการฟังไม่ดีนี่แหละจึงต้องมานั่งฟังใหม่ เคยฟังต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ฟังมาแล้วแต่ทำไมเรามาเสียหายกันขนาดนี้ใช่ไหมจ๊ะแต่บอกว่าถ้ามาเข้าใจบอกว่าพระชินอาเจ้าเนี่ยชินังตังเนี่ยพระชินอาเจ้าพราะองค์นั้นซึ่งพระชินอาเจ้าพราะองค์นั้นผู้ทรงพระนามวชินะเพราะว่าพระผู้มีพระเจ้าทรงชนะมารทั้งห้าเขาเรียกชินะหรือบางทีเรียกอ น, นัาฏชินะ ขันธ์มารรูปเวทนาสัญญาสังการพระ อ, องค์ชนะแล้วกิเลสมารคือราคาโทสามโมหามานะทิฏวิจิกิจจาพระ อ, องค์ชนะแล้วอภิสังขารมานเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปแล้วก็เจตนาที่เป็นอเนินชาพิสังการพระ อ, องค์ก็ชนะแล้วกรรมเหล่านั้นไม่สามารถยัง้งพระ อ, องค์ให้ปฏิสนธิในภพใดภูมิใดได้อีกแล้วมัจจุมานคือความตายพระ อ, องค์ไม่ต้องไปถูกตัดคอตัดศีรษะ โดนตัดม า, มากๆแล้วเพื่อพวกเราเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยเพื่อเพื่อเราก็เคยตัดคอท่านในยุ่งเลยนั้นอาจจะพูดอย่างนี้หนักไปไหมถ้าท่านเกิดเป็นปลาพระพุทธศาสเกิดเป็นปลาเราจะตัดคอท่านอาชาตินั้นเราก็เป็นชาวประมงก็ตัดพระพุทธเจ้าต้งบอกว่า มีมหากรุณาแล้วก็อดทนแม้อดทนต่อผู้ที่ประทุษร้ายก็อดทนเพราะการอยู่ในสังสารวัตนี่โดนเล่นแน่นอนใครอยู่ยาวก็โดนเล่นยาวโดนตัยิ่งบำเพ็ญบารมีได้แล้วก็คือไม่สู้คนใช่ไั้ยอมเขาทุกอย่างใช่ไหมเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมแต่ใจก็คือต้องการที่จะช่วยเขา แต่ใครเลยที่จะมองอัฏถะตรงนี้ออกเอทบหัวตุ่มตๆเลยท่านก็มองโดยกรุณาเนี่ยโอ้ท่านคนนี้เป็นพานแท้แบบนั้นเป็นพานแล้วก็ทบท่านไปที่มเป็นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธเราหรอกแต่ท่านบอกว่าโมหะนี่โอ้โหยหลายกาดนักเราจะต้องขจัดโมหะในใจของสัตว์นี้ให้ได้ในอนาคตท่านคิดท่านเนี้ย ถ้าอย่างเราก็คิดเรื่องปัจจุบันเลยใช่ไหมเราไม่ได้ทําอะไรให้มาทําเรามาว่าเราทําไมเราเดินไปทําไมมามองค้อนแล้วคนคนนี้มันจะคิดกับเรายัางไงแสดงว่ามันคิดไม่ดีแน่เยอะแย ะ, ย ะ, ยะหมดแต่ถ้าพระอริสตันจะคิดว่าโอ้โมหานี่ร้ายนะเราเดินผ่านนิดเดียวยังมองค้อนแว บ, บเลยอย่างงี้นะใช่ไหมแต่อย่างเราเนี่ยจะไม่คิดถึงกลุ่มโมหะกลุ่มอกุศลที่เกิดในใจของสัตว์ที่เราจะต้องขนสัตว์ลื้อสัตว์ทําให้สัตว์เหล่านี้หมดโมหายได้ เราเคยคิดกันอย่างนี้ไหมในมากคิดถึงบุคคลเยอะคนนั้นดีคนนี้ชั่วแค่นี้เองอะ่ะสู้คนนั้นไม่ได้คนนั้นดีคนนี้ประเส ร, ริฐเลยกว่ากันไปเราไม่เคยเจาะทะลุทะลวงก็ไปถึงว่าโมหะนี่ร้ายกาจนะมีใครด่าเราเปล่าเปล่าเปล่าเปล่าเราบอกโอ้โหโมหะร้ายจริงๆกล้าพูดไหมเวล า, ามีใครตําหนิเราใช่ไหมหรือมีใครชื่นชมเราอะไรก็แล้วแต่โอ้โหโมหมะร้ายมาก เราไม่มีคุณธรรมน่าชื่นชมขนาดนั้นเลยก็ยังชื่นชมเขาด่าเราเสียหายโมหะล้ายจริงๆเรายังไม่ไเลวถึงขนาดนั้นก็ยังด่าอย่างนี้นะเอามันคิดออกขนาดนี้ไ้ย